จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายบุญทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2 5 4 8เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์โดยมาที่วัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ังธรรมมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการกระทามที่พระบรมราสดาของพวกเราคือพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ให้มันทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อได้ทำไปแล้วจะทำให้เรา มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีความร่วมเย็นกันสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมะพระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าการเลนะธรรมะสวังเอตัมมังกลุตตมังการฟังธรรม ต, มตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็หมายถึงว่า อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะสักครั้งหนึ่งเพราะการฟังธรรมะนั้นก็เปรียบเหมือนกับการเติมน้ามันให้กับรถยนต์ธรรมะนี่ก็เปรียบเหมือนกับน้ามันสำหรับจิตใจจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งตลอดเวลา 6-7 วันที่ผ่านมา เราได้ใช้จิตใจของเราไปในการทมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็ต้องใช้ใช้งานใช้การจิตใจจิตใจก็จะเกิดความาหมดพลังหมดกำลังก็ต้องมีการเติมพลังให้กับจิตใจด้วยการมาฟังเทศฟังธรรม เพราะถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายเกิดขึ้นมานั่นเองดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะมองข้างไปควรจะให้ความสนใจเหมือนกับการที่เราให้ความสนใจต่อการเติมน้ามันในรถยนต์ของเรา เรารู้ว่าถ้าเราเติมน้ำมันรถยนต์ของเราเพียงครั้งเดียวแล้วนําไปขับอยู่เรื่อยๆแล้วไม่แวะเข้าไปเติมน้ํามันอีกต่อไปวิ่งไปไม่นานไม่ไกลรถก็น้ํามันก็จะต้องหมดเมื่อน้ำมันในรถหมดแล้วรถก็ไม่สามารถที่จะไปไหนมาได้ต่อไปใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ได้รับการเติมพลังแห่งธรรมะ เข้าไปในจิตใจแล้วชีวิตของเราต่อไปก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังความท้อแท้ความเบื่อหน่ายในชีวิตนี้ก็จะสามารถสร้างความคิดที่ไม่ดีให้กับตัวเรานั่นก็คือจะคิดฆ่าตัวตายไปในที่สุดนี่ก็เป็น เหตุที่เกิดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนในสังคมที่เราได้ยินข่าวๆทุกวี่ทุกวันว่าคนนั้นฆ่าตัวตายคนนี้ฆ่าตัวตายหรือคนนี้คนนั้นไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคน น, น, ค น, นี้เหล่านี้ก็ล้วนเกิดขึ้นจากการที่ที่จิตใจไม่ได้รับการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลานั่นเองมงคลแห่งชีวิตจึงไม่ปรากฏขึ้น มีแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลแก่ชีวิตเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆดังนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรที่จะน้อมจิตน้อมใจของเราเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมสักครั้งหนึ่ง จะเป็นวันพระก็ได้หรือในสมัยนี้ถ้าเราไม่สะดวกในวันพระเพราะมันไม่ตรงกับวันหยุดเราก็เข้าวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์แทนก็ได้อย่างที่วัดนี้จะมีการแสดงธรรมเทศนาอยู่เสมอทั้งวันพระทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ดังนั้นเราถึงควรที่จะให้ความสนใจพราเมื่อเราได้เข้าหา ธรรมะแล้วธรรมะก็จะให้แสงสว่างกับชีวิตเราจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกทำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นมีปัญญาขึ้นมาอันที่สอ์ของการฟังเทศฟ์ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่ห้าประการด้วยกันประการแรกก็คือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน เช่นเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เรื่องเหล่านี้เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดหรือถ้าไม่ได้ฟังเทศที่เขาแสดงผ่านสื่อต่างๆอาจจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อเทปสื่ออะไรต่างๆที่ในสมัยนี้เขามีกัน เราสามารถใช้สื่อเหล่านี้ฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้เพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นไม่จาเป็นว่าจะต้องไปที่วัดเสมอไปที่ไหนมีการแสดงธรรมก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้เช่นถ้าไม่สามารถมาวัดได้อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุฟังก็มีการแสดงธรรมเทศนาอยู่เรื่อย เปิดโทรทัศน์ในตอนเช้าเช้าก็มีการแสดงธรรมเทศนาอยู่ดังนั้นเรื่องการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากถ้าเราให้ความสนใจเพราะสามารถฟังได้นายหลายรูปแบบด้วยกันนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเอง รู้ในสิ่งที่ดีที่งามด้วยเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญพาเราให้อยู่ไกลจากความทุกข์ความเสียหายทั้งหลายนี่คืออ น, นิสงส์ข้อแรกเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็จะได้ยินได้ฟังซ้ำอีกเมื่อเราได้ยินซ้ำไปบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาตามลำดับจนในที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่ได้ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าควรจะฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยแต่ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเทียเล็กเทียน้อย จิตใจก็จะซึมซาบเข้าไปที่เราเล็กเถียรน้อยแล้วต่อไปก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงในเบื้องต้นเวลาเราฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามีจริงได้อย่างไรเพราะเราอยู่ในโลกนี้ก็เห็นมีแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้น นรกสวรร์นี้เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจขึ้นมาว่านารกหรือสวรร์นี้ก็เป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นเองร่างกายของเราถึงแม้จะอยู่ในโลกนี้แต่ใจของเรานี่สามารถขึ้นนรกขึ้นขึ้นสวรร์ตกนรกได้ในขณะที่เรายังไม่ตาย เช่นเวลาไหนวันเราวันไหนเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความวุ่นวายใจพวัะ น, นั้นใจของเราได้ตกนรกแล้วโดยที่ร่างกายของเรายังอยู่ในโลกนี้แต่ใจของเรานั้นไปสู่นรกแล้วนะส่วนอีกวันหนึ่งเช่นวันนี้เรามาทําบุญทําทานกันมารักษาศีลมาฟังเพ็ญบำธรรมมาปฏิบัติธรรมใจของเราก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจขณะนี้ใจของเราก็ถือว่าได้ขึ้นสวรรค์แล้วนี่แหละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ท่านถึงพูดว่านารกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เป็นเรื่องที่เราเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าการที่จะขึ้นนรกขึ้นขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนั้น ก็ไม่มีใครจะสามารถส่งเราไปได้มีตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ส่งให้เราไปได้เช่นวันนี้เราทาความดีกันจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราก็ขึ้นสวรรค์แล้ว mm. อายังพะทันตาคือผลได้ปรากฏขึ้นแล้วในจิตใจของเราแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะชินกับทางแห่งสวรรค์เมื่อเราต้องทิ้งร่างกายไป จิตใจของเราซึ่งมีสวรรค์อยู่ในใจแล้ว mm hmm. ก็ไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ทันที mm hmm. ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี mm ่ย hmm. วกับการทำความดี mm hmm. เพื่อให้ไปสู่สวรรค์ให้เราละเว้นจากการทำความชั่ว mm hmm. เพื่อเราไม่ไปมันจะได้ไม่ต้องไปตกนรกถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราจะเห็นแต่ร่างกายของเราเท่นั้น เราไม่เห็นจิตใจของเราเราเห็นร่างกายของเราว่าเราอยู่บนโลกนี้เราจะไปตกนรกได้อย่างไรเราจะไปขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจอีกส่วนหนึ่งของตัวเราคือใจของเราถึงแม้ร่างกายของเราจะอยู่ในในโลกนี้อยู่ในบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ใจของเราก็ยังตกนรกได้ วันไหนมีความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับต่อให้อยู่ในวังอยู่ในบ้านข้าวหาดอันใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นบ้านข้าวหาดหรือเป็นวังสําหรับร่างกายของเราเท่านั้นเองแต่ใจของเรานั้นหาได้อยู่ในวังด้วยไม่ในขณะที่จิตใจของเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความวุ่นวายใจในขณะนั้นใจของเรานั้น ได้ตกนรกไปแล้วแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขศึกเอาธรรมะมาดับความทุกข์เหล่านี้ปล่อยให้ความทุกข์เหล่านี้มันสะสมไปเรื่อยๆเวลาเราตายไปร่างกายนี้สลายไปแล้วใจของเรามันก็จะไปสู่นรกทันทีเพราะมันสร้างสมสะสมนรกไว้อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ มันมีเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ท่านั้นเองมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเวลาเราทำความดีก็เท่ากับส่งใจเราให้ขึ้นสวรรค์เวลาเราทำความชั่วก็เท่ากับส่งใจของเราให้สู่นรกนะนี่แหละเรื่องของดีชั่วเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์มันก็อยู่ที่ตัวของเราเองทั้งสิน้นถ้าเรารู้แล้วว่า นรกและสวรรค์นีมีจริงและการกระทำความดีและการกระทำความเชื่อนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปสวรรค์หรือไปนรกเราก็ต้องรีบทําแต่เหตุที่จะส่งให้เราไปสวรรค์นั่นก็คือทําแต่ความดีเช่นทาบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้ไปสู่สวรรค์กัน เมื่อเรารู้ว่าการทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์พูดปลดโมดเท็เสพสุรายาเมาและเอบาบยามุกต่างๆเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปตกนรกทั้งสิน้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเหตุเราก็ระ ง, งับการกระทำสิ่งเหล่านี้เสียเหมือนกับเรารู้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราเราก็อย่าไปจุดไฟเสีย ไปมันก็จะไม่บายมันก็จะไม่ไม่บ้านเราฉันใดนรกมันก็เกิดจากการกระทําบาปทําความชั่ว น, นั่นเองวันไหนที่เรามีจิตใจที่รุ่มร้อนมีความไม่สบายใจนั่นหลักแสดงว่าเราได้ทําความชั่วมาแล้วความชั่วนี้มันเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วดังนั้นเราจึงต้องพยายามต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดี ความคิดที่จะฉุดลากให้เราไปในกระทาความเชั่วเช่นในขณะที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองในขณะนั้นแหละจิตของเรากำลังจะอยากจะทำความชั่วเพราะเวลาใครมาทำให้เราโกรธแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องระบายความโกรธแค้นที่มีอยู่ภายในใจออกมาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพูดจาไม่สุภาพใช้คำหยาบด่าว่ากัน แล้วถ้าไม่ระมัดระวังเมื่อมีการตอบโต้กันมีการด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ต้องมีการลงไม้ลงมือกันมีการทำร้ายร่างกายกันเดี๋ยวเพ้อเพอก็ถึงแก่การฆ่ากันไปในที่สุดแล้วพอฆ่ากันเสร็จแล้วคนตายก็ตายไปคนตายก็ไปนรกทันทีคนที่ฆ่าเขาก็ไปนรกทันทีเหมือนกันคือใจนั่นแหละเริ่มในความวุ่นวายแล้ว เริ่มมีความเดือดร้อนแล้วจะต้องหนีหัวสุขหัวสนแล้วเพราะกลัวจะถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกในตารางในขณะนั้นใจของคนที่ฆ่าของฆ่าคนเื่นก็ตกนรกเหมือนกันคนที่ถูกฆ่าก็ตกนรกไปก่อนแล้วเพ่อก็พราะมีความโกรธมีความเกลียดมีความแค่งต่อกันละกันนี่คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่านารลกนั้นมีจริงสวรรค์นั้นมีจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน<ม>ประการต่อมาอ น, นิสงส์ของการฟังธรรมคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะสามารถขจัดความสงสัยให้หมดไปได้เช่นความสงสัยว่านากมีจริงหรือไม่ สวรรค์มีจริงหรือไม่การทําดีได้ดีจริงหรือไม่การทําชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่เหล่านี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติกับตัวเรา mm hmm. เช่นเราพยายามทําแต่ความดีอย่าไปทําแต่ความชั่วเราก็จะเริ่มเห็นผลปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจของเราจิตใจของเราจะมีความเย็นมีความสงบมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำไม่รวย ถึงแม้ว่าจะอดอยากขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่างแต่จิตใจนั้นกลับมีความอิ่มเอิบใจเพราะว่าได้ทำความดีเวลาทำความดีแล้วจิตใจของเรามันมีความสุขเราได้ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาดึกคนอื่นที่เข้าตกทุกข์ลบากลาบนเราช่วยเหลือเขาก็ทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นมา พอเราเห็นว่าคนที่เราช่วยนั้นเขามีความสุขการกระทำแบบนี้แหละเป็นการกระทำที่ทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความร่มเย็นเป็นสุขของใจนี้คือสวรรค์เราก็จะหายสงสัยในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของนรกเราก็จะรู้ว่านรกและสวรรค์นี้มีจริงมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่กาย กายนี้มันเป็นเพียงเวียนเหมือนภาชนะที่รองรับใจเท่านั้นเองเหมือนกับจานข้าวที่รองรับอาหารจานข้าวนั้นมันไม่ใช่เป็นอาหารอาหารนั้นต้องอาศัยจานข้าวไว้ใส่เวลาเรารับประทานเราก็ไม่รับประทานจานเรารับประทานอาหารที่อยู่ในจานข้าวจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับอาหารที่อาศัยร่างกายนี้เป็นภาชนะ ไว้เป็นเครื่องมือไว้สามารถจะทำริษทำบาปทําชั่วทําดีทําคุณก็ต้องมีร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบเช่นวันนี้อยากจะมาทําบุญก็ต้องมีร่างกายนี้มาทําถึงจะมาทําบุญได้ถ้าเกิดตายไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทําบุญได้ก็ใจก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมที่ได้ทําไว้จนกว่าจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีความอยากที่จะทําบุญก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพามาที่วัดมาทําบุญทําทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะดังนั้นร่างกายจึงไม่ใช่เป็นตัวที่สําคัญร่างกายไม่ได้ตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์ตัวที่ตกนรกหรือตัวที่ขึ้นสวรรค์ก็คือใจของเราใจที่มีความสุขนั่นแหลคือใจที่ได้ขึ้นสวรรค์แล้ว ใจที่ตกนรกนั่นแหลคือใจที่ได้ตกนรกแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราจึงควรที่จะสร้างสวรรค์ให้มีมากๆในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พยายามทําความดีให้มากๆอย่าไปทําความชั่วแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่สวรรค์จะมีนรกก็น้อยบ้ากอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปทํากรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตแล้วมันส่งผลขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่าเราทำความดีทุกวันแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่าความความทุกข์บางส่วนมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำความไม่ดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือการกระทำความชั่วที่เราทำไว้ในปัจจุบันที่เรายังไม่สามารถละได้แต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้แล้วว่านรกและสวรรค์มีจริงนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศธรรม ประการที่สาส่วนประการที่สี่ก็จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงรู้ว่าการทําความดีทําให้คนไปสวรรค์การกระทําความชั่วทําให้คนตกนรกเมื่อเราเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็าก็จะไม่กล้าทํา บาปทําความช่วยต่อไปเพราะเราไม่ต้องการที่จะตกนรกนั่นเองเราก็จะมุ่งมั่นทําแต่ความดีทําแต่สิ่งที่ดีที่งามทําให้เรามีความสุขนะเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมายกายกองภายนอกเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหาภายนอกนั้นมันไม่ได้ทั้งสวรรค์ให้เกิดขึ้นแต่มันกลับสร้างนรกให้เกิดขึ้นไปภายในใจ เช่นเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่มีกำลังพอที่จะซื้อได้เราก็ต้องไปซื้อเงินผ่อนหรือไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อพี่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้มาเมื่อได้สิ่งที่ได้มาเราก็ดี อ, อกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความกังวลความกุ้มกุมใจเพราะจะต้องหาเงินมาใช้นี้นั่นเอง แลวถ้าเกิดหาไม่ได้ยิ่งหุ่นยิ่งกุ้มใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่นี่เกิดเกิดนรกขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดข้อความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อมาได้เราก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่มีปัญญาที่จะหามาชำระคืนเขาได้ก็ต้องเกิดความหุ่นวายใจขึ้นมา ถ้าเราเป็นคนฉลาดเรารู้จักว่านโรกสวรรค์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยมันอยู่ที่ว่าเราทำความสุขทำความดีได้มากน้อยเพียงไรต่างหากถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ทำความดีไปอย่าไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะแสวงหามาได้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้สร้างความสุขสร้างสวรรค์ให้กับเรา ถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะหาซื้อมาได้ด้วยกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่เราก็จะต้องไปไปยืมเขามาแล้วในที่สุดก็จะมาสร้างนารกให้กับใจของเราเวลาที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้เราก็ต้องคืนของเข้าไปเวลาคืนของเข้าไปก็เกิดความเสียองกเสียใจ ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจของเราไว้แต่ก่อนก่อนที่จะไปซื้อเสียมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราคิดเดียวว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้ทำไมเราจะต้องไปดิ้นรนหามันมาทำไมเราก็อยู่แบบตามภาษาของเราตามฐานะของเราเรามีมากมีน้อยเราก็อยู่ไปตามฐานะของเราเราอย่าไปอยู่เกินฐานะของเราแล้วแล้วก็ เราก็จะไม่ต้องไปมีปัญหากับการที่จะต้องไปกู้หนี้ยินสินไม่ต้องไปมีปัญหากับการใช้หนี้ใช้สินไม่มีปัญหากับที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เมื่อจะต้องถูกเขายึดของเข้ า, ข, าของต่างๆไปถ้าเรารู้จักอยู่แบบมักน้อยสัโดุคือยินดีตามสภาพของเราเรามีอะไรมากน้อยเพียงไรเราก็อยู่ตามสภาพของเรา เราก็มีความสุขได้เพราะความสุขนั้นมันอยู่ที่ใจเป็นหลักอยู่ที่คําว่าพอท่านั้นเองถ้าเรารู้จักคําว่าพอแล้วถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยก็ตามเราก็จะมีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีสมบัติเข้าของอะไรเลยนอกจากบริขารแปคือบาจีวรมีดโกนที่กรองนง้ำประคตเอว ได้และเข็งเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระมีอยู่เพียงแปดชิ้นเท่านั้นเองเป็นสมบัติภายนอกแต่ภายในใจนั้นท่านมีสมบัติมากมายกายกองคือท่านมีความพอนั่นเองท่านสามารถทำจิตใจให้สงบให้ละนับจากความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากแล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้ จะวิเศษขนาดไหนก็ตามจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีความหมายสำหรับคนที่มีความพออยู่ในใจเลยเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่แสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองลาบสักการะเลยเพราะใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมแล้วด้วยความสุขด้วยความอิ่มด้วยความพอนั่นเองใจของเรายังขาด ความพอนี้เองจึงทำให้เรามีความหิวมีความต้องการอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดเป็นคนจนก็ยังมีความอยากอยู่เป็นมหาเศรษฐีก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีความต้องการอยู่เพราะความอยากความต้องการนี้มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากมีน้อยเพียงไรต่อให้เราอยากแล้วเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ มาความอยากในใจของเรามันก็ยังไม่หมดไปพราความอยากมันไม่มีขอไม่มีเขตมันจะหมดไปได้ก็ต้องอยู่ที่การระนับเท่านั้นเองคือเราต้องฝืนความอยากเราต้องไม่ทําตามความอยากถ้ามันไม่จำเป็นเราอย่าไปเอามันมาอยากจะได้แบบใจจะขาดก็ไม่ต้องเอามันมาถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราไม่ตายก็ไม่ถือก็ถือว่าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปเอามันมา ถ้าเราฝืนมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากมันก็จะโดตัวลงไปโดตัวลงไปจนในที่สุดมันก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเราใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเราก็จะอยู่อย่างอยู่อย่างมีความสุขนั่นเอง น, ะนี่แหละคือปัญญาเราที่เราควรที่จะเข้าใจว่า ความอยากนี้มันเป็นโทษมันไม่ใช่เป็นคุณเวลามันเกิดขึ้นแล้วต้องรีบทำลายมันด้วยการฝืนมันอย่าไปทาตามคำสั่งของมันถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปชีวิตของเราจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเราไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองภายนอกเราก็ไม่เดือดร้อนดีกว่าคนที่มีสมบัติมากมายกายกองแต่ยังมีความอยากอ ย, กอยู่นี่แหละคือความแตกต่างกัน นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาความพุทศาสนานสอนว่าต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นจากความอยากนั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วรับรองได้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิน้นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายนี่คือปัญญาเป็นอนิสงส์ของการฟังเทพฟังธรรม ข้อที่4ส่วนข้อที่5้าอนิสง์ของการฟังเทศฟังธรรมก็คือเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจิตใจจะมีความผ่องใสมีความสุขมีความเบิกบานอย่างในขณะนี้เวลาเราฟังเทศฟังธรรมไปจิตใจของเราได้รับสัมผัสกับธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำมนต์พวกเราทุกคนเวลาเราไปวัดเราก็มักจะไปขอน้ำมนต์จากพระ แต่น้ำมนที่พระท่านให้นั้นมันเป็นน้ำมนสำหรับร่างกายมันไม่เข้าไปถึงใจเราน้ำมนที่จะเข้าไปถึงใจของเราได้นั้นต้องเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในขณะนี้เรากําลังรับน้ำมนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้รับน้ำมนด้วยการตั้งจิตตั้งใจฟัง ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วน้ำมนตคือพ่อธรําำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไปกล่องทําจิตใจให้สงบเวลาจิตสงบแล้วจิตก็จะสว่างจะสวยัยมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบมีความปิติเกิดขึ้นมานี่คืออนิสงส์ข้อสุดท้ายที่จะได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรรมะคือทําให้เรามีความ ผ่องใสมีจิตใจของเรามีความผ่องใสมีความเบิกบานมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออนิสง์ทั้งห้าประการที่จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังทำตางการตามเวลาคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดีเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปอีก จนในที่สุดก็จะเข้าใจได้อย่างเต็มที่ประการที่สกระจัดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ 4. ทําให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ค, อคือเกิดปัญญาเกิดความฉลาด 5. ทําให้จิตใจเราผ่องใสมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออานิสงส์ที่ได้รับจากการฟังธรรมทั้ง5ประการซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเรา ตามพระบาลีที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังกลมุตตะมังการทักการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราด้วยประการฉนดีจึองอยากให้ท่านทั้งหลายจงพยายามมีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ําเสมอเพราะเมื่อเราฟังแล้ว ชีวิตของเราจะมีแสงสว่างนำพาเราไปเราจะรู้ว่าอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเราก็ไม่ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็ไม่ไปตรงไหนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความเจริญก้าวหน้ากับเราเราก็จะดาเนินชีวิตของเราไปในทางนั้นแล้วผลที่จะตามมาต่อไปก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญความก้าวหน้าเรื่องพิษเรื่องภัยเรื่องอันตรายทั้งหลายเรื่องทุกข์เรื่องความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่มีอยู่ในจิตใน